บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในพระพุทธคุณบทว่าวิชาจจรณะสัมปันโนท่านท่านจำแนกจรณะคือความประพฤติปฏิบัติไว้เป็นสิบห้าข้อด้วยกันได้กล่าวมาแล้วสี่ข้อ สำหรับในที่นี้จะได้พูดถึงธรรมะอีกเจ็ดข้อที่ท่านใช้คำว่าสับปริสธรรมคือธรรมะของคนดีหรือของสัตว์ประหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยธรรมะเหล่านี้ทั้งที่เป็นส่วนเหตุคือเสริมสร้างปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นก่อนการศัตรูและหลังจากศัตรูแล้ว เจรณะท้งหมดนี้จึงเป็นธรรมะส่วนผลหมายถึงเป็นพื้นปกติอัตยาสัยของพระองค์ที่ทรงเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมเหล่านั้นธรรมะทั้ง7ประการนั้นคือศรัทธาความเชื่อในที่นี้ท่านเน้นไปในความเชื่อต่อคุณของพระผูมีพระภาคเจ้าตามนัยยะที่ได้สวดกันว่า แม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระราหารันต์ศัตรูดีศัรูชอบด้วยพรลงเองทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสตรีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเรื่องความเชื่อมั่นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น <c oughs> ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาถ้าจิตใจของบุคคลไม่อย่างลงในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นจนเป็นอาจารยศรัทธาแล้ว ใจิตใจของบุคคลจะมีกวัดแหวงวันไหวไปตามอำนาจของอารมณ์ต่างๆบางครั้งก็ผ่องใสบางครั้งก็ขุดปัวดังนั้นจึงทรงแสดงไว้ในที่หนึ่งว่าความไม่เชื่อในพระพุทธเจ้า <c oughs> ในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจศีขาและการที่จิตเก็บความโกรธความอาฆาตพยาบาทเอาไว้นั้น เป็นเหมือนตะปูตรึงจิตของบุคคลเอาไว้ไม่สามารถขยับเขยื่อนไปในทางที่พึงปรารถนาได้ข้อนี้จะเห็นได้ว่าตะปูไปตรึงอะไรไว้ก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็จะติดอยู่กับที่ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทราบใดที่ตะปูนั้นยังตรึงอยู่ ใจิตใจของบุคคลผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในทางศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าหากว่าความเชื่อมั่นในพรันตนตไัรไม่หยางลงจิตใจยังมีความเครือบแคลงมีความสงสยัยมีความลังเลในเรื่องของพรันตนตไัยอยู่ความเจริญก้าวหน้าทางจิตก็ไม่อาจจะเกิดได้เช่นเดียวกันเะนั้นธรรมประการที่สองคือหิริ ที่แปรกันว่าความละอายแก่ใจในที่นี้ท่านเน้นไปที่ความละอายต่ออกุศลทุจริตซึ่งบุคคลพึงละเมิดก้าวล่วงทางไตรทวารได้ แ, แก่ทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจทุจริตทางกายนั้นท่านจาแนกออกเป็นสามอย่างด้วยกันคือการประพฤติผิดต่อร่างกายของบุคคลอื่น ต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นและต่อประเวณีของบุคคลอื่นทุจริตทางวาจาออกมาในสมลักษณะคือพูดคําเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบและพูดเพเเื่อเจริญเหล่าไรทุจริตทางใจออกมาในสามอย่างคือโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นและเห็นผิดจากทํานองครองธรรมก็ น, นี้จะเห็นได้ว่า ในส่วนที่เป็นมโนทุจริตนั้นเป็นตัวการที่มีความสำคัญมากซึ่งทำให้กายกับวาจาทุจริตไปด้วยถ้าหากว่ามโนเป็นสุจริตแล้วเนื่องจากคนเรานั้นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นหัวหน้าก่อนจะทำก่อนจะพูดอะไรลงไปก็เกิดมาจากความคิดก่อนเมื่อมโนเป็นสุจริตแล้ว ก็จะคิดในทางที่เป็นสุจริตทำให้การกระทาทางกายพูดทางว จ, จาของบุคคลก็เป็นสุจริตตามไปฮิริที่บังเกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่เกียรติกันบาปเกียรติกันอกุศลเอาไว้ไม่ให้ลุแก่อำนาจของอารมณ์แสดงออกมาภายนอกหรือเกิดขึ้นกรุ่มรวงใจ บางโอกาสหิริยังทำหน้าที่คล้ายๆกับสติคือปิดกั้นกระแสของอารมณ์ไม่ให้เข้ามาสู่จิตใจประการที่สมเรียกว่าโอตตปะคือความสดะมสดุ้งกลัวต่อบากเป็นความสะดุ้งกลัวตอบผลอันจะพึงเกิดขึ้นจากทุจริตทั้งสประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วฮิริกะโอตตปะในที่บางแห่งทรงแสดงไว เป็นคู่กันท้งใช้คำว่าโลกปารธรรมที่แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกบ้างเป็นสุกธรรมธรรมะอันขาบ้างเป็นเทวธรรมธรรมะซึ่งทาบุคคลให้เป็นเทวดาบ้างอันเป็นการแสดงเห็นว่าด้วยชีวิตอัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์นี้ถ้าหากว่าบุคคลสามารถเสริมสร้าง ยิริความละอายแก่ใจโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปให้เกิดขึ้นจนคุ้มครองจิตใจตนเองได้แล้วธรรมะทั้งสองประการนี้จะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสะแห่งอกุศลและขจัดอกุศลให้ออกไปจากจิตจะทำให้การดำเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองจากธรรมะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากธรรมะนั้นย่อมมีความโปร่งเบาสบายปราศจากเวรปราศจากภัยในที่ทุกสถานและในการทุกเมือ่อนอกจากนั้นยังจะได้ชื่อว่าเป็นเทวดาในร่างของมนุษย์อีกด้วยธรรมะทั้งสองประการนี้บางครั้งท่านจึงเรียกว่าเป็นมโนธรรม คือธรรมะที่ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นภายในจิตใจของบุคคลฮิรินั้นอาจจะอาศัยชาติสกุลบ้างการศึกษาบ้างวัยบ้างจิตใจที่เข้มแข็งบ้างเสริมส่งให้กำลังของฮิริแก่กล้าขึ้นภายในจิตใจส่วนโอตปะนั้นอาจจะประรบคาตาหนิตีเตียนของวินยูชนทั้งหลายบ้างสานึกว่า หากกระทาไปเช่นนั้นแม้เราเองก็จะติดเตียนตนเองได้หรือกลัวต่ออัจยาของแผ่นดินเพราะการกระทำผิดทั้งหลายนั้นเมื่อผิดศีลทำแล้วส่วนมากจะเป็นความผิดต่อกฎหมายด้วยและด้วยความกลัวต่อภัยที่ตนจะต้องประสบหลังจากตายไปแล้วในนรกเป็นต้นความสำนึกแต่ละอย่างที่กล่าวมา น, นี้ เป็นปัจจัยเสริมส่งให้เกิดทิริโอตปะขึ้นภายในจิตใจและจะคุ้มครองจิตใจของบุคคลไว้ให้มีทิริโอตปะเป็นหลักใจเป็นโลกกปารละธรรมคือคุ้มครองตนเองและคุ้มครองโลกได้ธรรมะประการที่สี่คือพระุตส่จหหมายถึงการได้ศึกษาการสดับสับฟังเรื่องราวต่างๆมามาก เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือมีประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสมากข้อนี้ฟังดูแล้วคล้ายๆจะขัดแย้งกันเพราะว่าในการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนั้นบางคราวก็เป็นเรื่องที่จะต้องสำรวมระวังตามหลักของอินทรียสังวรที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นแต่ว่าในที่นี้กลับส่งเสริมให้มีการศึกษาและการสดับสับฝังมาก ทั้นี้เป็นเพราะอะไรเพราะในชั้นของอินเสียสังบรนเป็นเรื่องการสํารวมระวังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลเหนือจิตใจของตนโดยเฉพาะคือความรู้สึกในทํานองเพิ่มอกุศลเพิ่มความโลภความโกรธความหลงขึ้นภายในจิตใจในเรื่องของภูษะจะเป็นงานชั้นการศึกษาการสำเนียกให้รู้ว่า อะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสที่บุคคลกำลังใช้อยู่ในชีวิตปะจจาบันการเก็บการสะสมสิ่งต่างๆเอาไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้สัจจก แต่ความเป็นภูจะจะแสดงออกมาได้เต็มที่ก็ต้องอาศัยการทรงจำไว้มากการท่องได้การนำเรื่องเหล่านั้นเข้าไปพินิษพิจารณาด้วยใจของตนจนเกิดความเข้าใจโดยท่องแท้ในปัญหาเหล่านั้นที่บาลีใช้คำว่าดิทยาสุปฏิวิธา คือแทงตลอดเรื่องเหล่านั้นด้วยความคิดความเห็นด้วยปัญญาความเข้าใจของตนปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักที่มีความสำคัญในการที่จะให้บุคคลสามารถแยกอกุศลกุศลและต่างกลางแห่งธรรมทั้งหลายออกไปได้อย่างชัดเจนไม่เกิดความสับสนในชั้นของการทำความเข้าใจ ในชั้นของการเรียนรู้และแม้ในชั้นของการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติพราะถ้าหากว่าบุคคลขาดภูสัจจะคือการศึกษาระดับสับฟังในแง่มุมต่างๆแล้วบางครั้งจะมีการปฏิบัติผิดมีการเข้าใจผิดและได้รับผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาก็ได้อันหนึ่งจิตใจของเรานั้น เปรียบแล้วก็เหมือนกับโรงงานที่สำหรับผลิตวัดสดุสิ่งของต่างๆออกมาในรูปลักษณะต่างๆโรงงานจะผลิตอะไรออกมาได้วิจิตรพิสดารอย่างไรนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยวัตถุ ด, ดิบซึ่งมีลักษณะพิเศษมากมายหลายอย่างด้วยกันประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลผ่านพบมาจึงเปรียบเหมือนกับวัตถุดิบเหล่านั้นเมื่อเขานมาผิดในโรง ง, งาน ก็สามารถที่จะผลิตออกไปได้โดยวิจิตรพิสดารสวยงามมีคุณค่ามีคุณภาพเหมาะสมแก่การใช้งานในฐานะนั้นๆการมีประสบการณ์ตรงในเรื่องต่างๆย่อมมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติการทำความเข้าใจการศึกษาและการพัฒนาชีวิตของบุคคลเช่นเดียวกันเะนั้นประการต่อไปคือวิริยะที่แปลว่าความเพียรคาว่าวิริยะนั้น บางทีแปลว่าความกล้าหาญซึ่งตรงกับคำว่าวีระวิริยะกับ ว, วีระจึงมีความหมายในทํานองเดียวกันแต่ในที่นี้ทรงเน้นไปที่ความเพียรพยายามในการที่จะละอกุศลในการที่จะเพิ่มพูนกุศลให้บางเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลในการละอกุศลและการเจริญกุศลนั้นจะเห็นได้ว่า เป็นการต่อสู้กันภายในสนามรบคือจิตใจของบุคคลบางเวลาบางโอกาสปัจจัยต่างๆอำนวยให้ทำให้บุคคลสามารถรู้เท่าทันอกุศลที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้ไม่ถึงก็ปล่อยให้อกุศลเหล่านั้นครอบงาใจเมื่อรู้ว่าเป็นอกูสนก็รีบขจัดอกุศลเหล่านั้นออกไป ในจริยาของพระริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านบอกว่าพระริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นยังถูกมารคือเทวปุตตมารได้แก่เทวดาที่เป็นอันตรพานคอยหลอกลวงคอยคุกคามอยู่เสมอเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันตเหล่านั้นท่านมีญาณอย่างรู้ว่าสิ่งนี้เป็นมาร ก็จะกล่าวว่าดูก่อนมานผู้มีบาปัตรบัรนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำอะไรต่อเราไม่ได้มานก็จะอันตรทานไปซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบรรดาอากุศลทุจริตซึ่งเป็นประเภทกิเลสสมานก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อแกบังเกิดขึ้นภายในจิตใจถ้าบุคคลมีความรู้ทัน มีความระลึกได้มีความรู้ทันต่อสิ่งเหล่านั้นก็สามารถที่จะขับที่จะบันเทาที่จะขจัดอกุศลเหล่านั้นออกไปได้ในการที่บุคคลถูกบาปถูกอกุศลเสียดแทงใจกลุ้มรุ ม, รมใจนั้นเพราะรู้ไม่ทันหรือระลึกไม่ได้หรือไม่เข้าใจอุบายยิธีในการที่จะขจัดอกุศลเหล่านั้นให้ออกไป บางเวลาปล่อยให้อกุศลกัดกร่อนจิตใจของตนเองเป็นเวลานานนับปีเป็นต้นทาให้สูญเสียสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและในด้านจิตใจแต่ถ้าบุคคลมีความกล้าหาญมีความเพียรพยายามในการที่จะละอกุศลและการเจริญกุศลอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วปริมาณของอกุศลที่ยังไม่เกิด ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักอินทรียสังวรที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนปริมาณของกุศลซึ่งบุคคลพยายามอบรมกระทําให้มากกระทําอยู่บ่อยๆนั้นก็จะบังเกิดขึ้นแต่ในการกระทํากุศลด้วยการสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นนั้นสําหรับในชั้นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดแสดงหลักการปฏิบัติไว้ ข้อหนึ่งว่าเมื่อจิตที่ประกอบด้วยกุศลบางเกิดขึ้นนั้นให้บุคคลรีบกระทำกุศลโดยเร็วโดยพรันโดยด่วนและให้ทำในขณะนั้นนั้นเพราะถ้าปล่อยไว้เนานไปจิตใจจะโน้มน้อมไปสู่กระแสของอกุศลอีกทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะโดยปกติแล้ว จิตนั้นมีความเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับาบาปกับอกุศลเหมือนปลาที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในน้ำความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินในน้ำมีต่อปลาปลาตลอดไปเช่นใดจิตใจของบุคคลก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่ในาบาปในอกุศลเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อ ด, ดึงขึ้นมาได้ อยู่ในคันลองของกุศลแล้วก็ต้องรีบเปร่งกระทํากุศลเสียในขณะนั้นๆในการกระทํากุศลนั้นมักมีอุปสรรคมีอันตรายมาขัดขวางอยู่เป็นอันมากแต่ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลผู้ประกอบด้วยวิริยะกลายเป็นวีระคือกล้าหาญแล้วก็จะไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคต่ออันตรายเหล่านั้น ไม่ว่าจะแข็งแรงเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามในที่สุดปริมาณกุศลก็จะสูงขึ้นปริมาณของอกุศลก็จะลดลงจิตใจของบุคคลก็จะกลายเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้สามารถที่จะน้อมไปเพื่อทำศีลของตนให้บริสุทธิ์หมดจดสามารถที่จะน้อมไปเพื่อเสริมสร้างสมาธิจิตของตนให้สูงขึ้นสงบขึ้นประณีตขึ้น ตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนหลักการในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของวิริยะเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในทุกกรณีสากใดที่บุคคลยังยืนด้วยตัวเองไม่ได้คือหมายความว่ายังไม่เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแล้วจะต้องใช้ความเพียรพยายามอยู่ตลอดไปเมื่อใดเสร็จ ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติกระทําเกี่ยวกับการเจริญกุศลและการละกุศลเรื่องความเพียรพยายามจึงเป็นเรื่องของผลดังที่กล่าวในตอนต้นคือเป็นผลที่ถาวรมีปกติอยู่ด้วยความเพียรตลอดไปไม่จําเป็นจะต้องเจริญอะไรอีกแล้วเพราะสมบูรณ์เต็มที่ประการต่อไปคือสติมาได้แก่ความเป็นผู้มีสติ ในที่นี้ทรงเน้นไปที่การสามารถระลึกสามารถตามระลึกถึงเรื่องที่กระทาถึงคำที่พูดและสิ่งที่จิตคิดทั้งของตนเองและของบุคคลอื่นแม่นานได้แต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วก็ให้เพ่งพินิจระลึกตามระลึกในเรื่องที่ ผ่านมาของตนสามารถระลึกได้ก่อนทำขณะทำกำังและหลังจากกระทำไปแล้วไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการกระทำเหล่านั้นซึ่งอาจจะใช้เป็นภาษาธรรมดาธรรมดาว่าก่อนที่จะกระทำนั้นก็ตามระลึกได้ถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในขณะทำก็ระลึกทัน ว่าได้ทำอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นออกไปและหลังจากได้ทำไปแล้วจะถูกหรือผิดก็ตามก็นึกออกว่าได้ทำได้พูดไปอย่างนั้นงานของสติจึงเป็นงานที่ขจัดความลุ่มเหลงหลงความเผลอเรอความพลังพลาดต่างๆให้ออกไปจากจิตใจของบุคคลเรื่องของสติจึงเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาเรื่อยไป จนกว่าสติจะเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ที่ทรงใช้คําบาลีว่าสติวิปุโรคือความภัยบุญแห่งสติซึ่งจะมีได้ก็เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นเรื่องของสติจึงกลายเป็นกลุ่มธรรมที่เรียกว่าสัมมาสติอันเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานดังที่ กำลังศึกษาและปฏิบัติกันอยู่นี่เองข้อต่อไปซึ่งเป็นข้อสุดท้ายได้แก่ปัญญาในที่นี้ได้เน้นไปที่ปัญญาชําแรกจริงทั้งหลายออกที่ท่านใช้คำว่านิบเบธิกะปัญญาคือแยกสิ่งทั้งหลายออกไปตามสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยทั้งนี้เป็นเพราะอะไร เพราะว่าตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะยึดติดในรูปในนามแบบเกาะกลุ่มกันถ้าหากว่าไม่แยกเรื่องเหล่านั้นความยึดความจิตก็จะมีอยู่ตลอดไปท่านจึงสอนให้บุคคลพิจารณาแยกสิ่งเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆมองให้เข้าใจถึงสภาพอันแท้จริงโดยความเป็นขันโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอาจตนะ แห่งน้ำ ม, มาลูปก็จะเห็นว่าสิ่งที่บุคคลไปไขว่ขวัญไปยึดถือไปหมกมุ่นกังวลอยู่นั้นโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วเป็นการรวมกลุ่มของดินของน้ําของลมของไฟายของอากาศและของวิญญาณแต่นั้นเองเมื่อแยกสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วความเป็นคนความเป็นสัตว์ความเป็นบ้านความเป็นเรือนก็มีไม่ได้ จิตใจของบุคคลก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นออกไปหลักธรรมทั้ง7ประการนี้เรียกบางแห่งว่าสัตยธรรมทั้งเจบ้างเรียกว่าสัพ ป, ปริสธรรมคือธรรมของสัตว์ปุรุษของบัณฑิตของคนดีหรือของผู้รู้ซึ่งเป็นทั้งส่วนเหตุได้แก่การที่บุคคลผู้ยังไม่มีธรรมเหล่านี้ จะต้องพยายามเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อหิริความละอายแก่ใจโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปภูสัจการศึกษาการสดับสับฝังมากวิริยะความเพียรพยายามสติมาความมีสติและปัญญาความรอบรู้ให้บังเกิดขึ้นตามวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วและเมื่อธรรมะเหล่านี้มีขึ้น เพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลธรรมะก็จะทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันรักษาจิตของบุคคลเอาไว้ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรเป็นไปเพื่อความสงบความสะอาดความประณีตแห่งจิตใจของบุคคลผู้นั้นรักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ควรสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่า ในที่ใดก็ตามถ้าหากว่ามีศรัทธาปรากฏอยู่แล้วในที่นั้นจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับเสมอไปไม่ว่าหลักธรรมจะมากหรือน้อยก็ตามในที่นี้เริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่ว่าคุมตอนท้ายด้วยปัญญาทนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาที่เป็นไปโดยโดดเดี่ยวนั้นจะตกเข้าสู่ความงงงายได้ง่าย เพราะขาดปัญญาพินิษฐ์พิจารณาลักษณะของศรัทธาคือการน้อมใจเชื่อเป็นลักษณะเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ฟังอะไรแล้วมักจะน้อมใจเชื่อสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งที่บุคคลน้อมใจเข้าไปเชื่อเข้าไปถือเข้าไปยอมรับนั้นไม่เป็นการแน่เสมอไปว่าจะเป็นความเชื่อความยึดถือที่ถูกที่ต้อง ดังนั้นจึงเริ่มศรัทธาให้ตั้งมั่นลงที่คุณพระรัตนตรัยในเบื้องต้นโดยให้ปากลงที่คุณของพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ให้บุคคลใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแหล่งความเชื่อเหล่านั้นและสิ่งที่ตนยอมรับนับถือมาว่าควรแก่การเชื่อถือควรแก่การประพฤติธปฏิบัติตาม มากน้อยแค่ไหนเพียงไรในทํานองตรงกันข้ามคือถ้าหากว่าปัญญาของบุคคลเหล่านั้นมากเกินไปแต่ศรัทธาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวปัญญาของบุคคลก็จะออกมาในรูปของอุดเฉติทิฏฐิคือมองอะไรเห็นเป็นความขาดศูนย์ไปหมดได้ง่ายซึ่งเป็นแนวดิ่งอีกประการหนึ่ง อาจจะขาดการยอมรับนับถือในชั้นของสมมติสัจจะซึ่งเป็นธรรมะชั้นของสี ธ, ธรรมที่มีความจำเป็นพระพุทธศาสนายอมรับความจริงในสองชั้นคือชั้นที่เป็นสมมติสัจจะเป็นความจริงขั้นสมมติเป็นโลกกบหารโล ก, กภาษาเป็นค่านิยมการกำหนดของชาวโลกระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยอมรับความจริงชั้นที่เป็นปรมัตถะคือความจริงอย่างแท้จริงประการเด่มเมื่อบุคคลอยู่ภายในโลกภายในสังคมก็จะต้องเป็นโลการวัดคือคล้อยตามโลกไปในบางเรื่องที่ไม่เป็นการผิดต่อกฎหมายและไม่เป็นการผิดต่อศีลธรรมอันดีงามดังนั้นเรื่องของศรัทธากับเรื่องของปัญญาจะต้องเป็นคู่กันเช่นนี้เสมอไป เพราะได้อิงอาศัยซึ่งกันและกันศรัทธาก็ไม่ล้ำหน้าปัญญาปัญญาก็ไม่จะก็จะไม่ล้ำหน้าศรัทธาช่วยกันประคับประคองการประพฤติปฏิบัติความเชื่อถือของบุคคลผู้นั้นให้ดำเนินไปในทางที่มีหลักมีเกณฑ์เสริมสร้างสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบไปบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลควบคุมให้ความคิดของบุคคลนั้น เป็นสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบด้วยอาศัยมัตย์ทั้งสองประการนี้จะนำวิถีชีวิต จ, จิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปตามหลักของสัมมารกรรมันตะสัมมาวาจาเป็นต้นซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตตามรอยบาทจุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นทางปลอดภยัยทางสงบทางเยือกเย็น แห่งจิตใจของบุคคลผู้นั้นซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่กำลังการประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป